นามวัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนามวัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนามวัตตภะคะวะโตอะระหะ สัมมาสัมพุทธัสสะ jackets, สัพพังอปราทังสัพพัาราทขมะเเมพันเตโอกาสะทวาระใเยนักตังสัพพังอัปราทังขมะเมพันเต อุกาศะเข้ามามิพันเต